จเจริญพรท่า น, านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่29กุมภาพัน์พุทธศาการ้อาสิบห้ 55, เป็นวันพระเป็นวันธรรมนัสสวรรควันฟังธรรมวันที่สาธุชนพุทธบริษัท ผู้มีศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธศาสนาได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาตักตัวบุญกุศลที่สามารถทำได้ในขณะนี้เพราะเวลานี้เป็นเหมือนเวลาน้ำขึ้นโบราณท่านสอนว่าน้ำขึ้นให้รีบตัก เพราะถ้าไปตักตอนที่น้ำลดก็จะไม่มีน้ำให้ตักชีวิตเราตอนนี้ก็เป็นหมืงนช่วงของน้ำขึ้นเพราะตอนนี้เราสามารถทำบุญต่างๆได้นั้นเองต่อไปเราอาจจะไม่มีเวลาว่างพอหรือสังขารร่างกายของเราอาจจะชำรุดชุทรมพี่กลพี่การ ไม่สามารถที่จะมาทำบุญไปได้โบราตท่านจึงสอนว่าบุดน้ำขึ้นให้รีบตัดเพราะถ้าเราหัวผัดวันประกันพรุ่งพอถึงเวลาจะทำจริงๆก็ไม่สามารถทำได้แล้วเนื่องจากน้ำจะลดหายไปหมดคือโอกาสหรือเวลาหรือความสามารถที่จะทำบุญก็จะ หมดไปนั่นเองบุญนี้สำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตจิตใจของเราเป็นเหมือนน้ำที่มีความจำเป็นต่อร่างกายของเราถ้าร่างกายขาดน้ำนี้อยู่ได้ไม่ไม่กี่วันก็จะต้องตายไปอย่างแน่นอนฉันใดใจของเราถ้าขาดบุญก็จะอยู่อย่างมีความทุกข์วุ่นวายใจหาความสุขไม่ได้ บุญที่เราต้องทำหรือน้ำที่เราต้องตักใส่ตุ่มนี้มีอยู่สามตุ่มด้วยกันตุ่มแรกเรียกว่าทานตุ่มที่สองเรียกว่าศีลและตุ่มที่สามเรียกว่าภาวนานี่คือน้ำที่เราจะต้องตักใส่ตุ่มทั้งสามนี้ให้เต็มให้ได้ถ้าเราตักน้ำจนตุ่มทั้งสามนี้เต็มแล้วชีวิตของเรา ก็จะมีแต่ความสุขอย่างเดียวจะไม่มีความทุกข์ไปตลอดอนันตกาลเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตักน้ำใส่ตุ่มของท่านเต็มหมดแล้วพอน้ำเต็มตุ่มแล้วทีนี้ก็มีแต่ความสุขมีแต่ความสบายไม่มีความทุกข์ไม่มีความว้าวุ่นขุ่นบววอีกต่อไปถ้าเรายังไม่สามารถตักน้ำให้เต็มตุ่มได้ ชีวิตของเราก็ยังจะต้องพบกับความทุกข์สลับกับความถูกไปอย่างที่เราได้พบกันอยู่ในขณะนี้จะสุขมากหรือสุขน้อยจะทุกข์มากหรือทุกข์น้อยก็อยู่ที่น้าที่เราตักใส่ตุ่มคือบุญที่เราทำให้กับใจของเรานั่นเองดังนั้นขอให้เราพยายามทำบุญกันให้มากๆเท่าที่เราจะสามารถทำได้ บุทั้งสามขั้นนี้ก็เป็นเหมือนขั้นบันไดที่เราจะต้องทําไปตามขั้นตอนเพราะขั้นแรกนี้จะง่ายกว่าขั้นที่สองขั้นที่สองจะจะง่ายกว่าขั้นที่สาถ้าเราจะไปทําขั้นที่สามเลยด้วยขั้นที่สองโดยที่ไม่ทําขั้นที่สขั้นที่หนึ่งก็จะทําได้ยาก เหมือนกับเวลาก้าวขึ้นบันไดถ้าเราเดินข้ามขั้นไปก็จะขึ้นไปยากและอาจจะพลาดตกลงมาได้ดังนั้นพระพเจ้าจึงต้องสอนให้เราทำกันเป็นขั้นขั้นไปขั้นแรกก็คือทานขั้นที่สองก็คือศีลขั้นที่สามก็คือภาวนาแต่ละขั้นนี้มีความสำคัญต่อ จิตใจของเราที่เราจะต้องทำกันขั้นแรกเรียกว่าทานคือการให้การให้ทานนี้เราคงได้ยินว่าถ้าให้กับคนนั้นคนนี้จะได้ผลได้อานิสงส์ได้ประโยชน์มากกว่ากันที่ว่าได้มากกว่ากัร น, นั้นก็เพราะว่าคนที่เรา เอาเข้าวของเงินทองไปให้นี้เขามีความรู้ความสามารถต่างกันถ้าไปให้คนที่มีความรู้มากเราก็จะได้รับความรู้กลับมามากถ้าไปทำกับคนที่มีความรู้น้อยเราก็จะได้ความรู้กลับมาน้อยนี่คือเหตุที่เราต้องเลือกทำกับคน ที่รู้มากดังที่ได้แสดงไว้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าถ้าทำบุญกับคนธรรมดาจะได้ความรู้ประมาณสิบเท่าถ้าทำบุญกับพระที่ทรงศีล <c oughs> ก็จะได้บุญร้อยเท่าถ้าทำบุญกับพระอาริยะ ขั้นที่หนึ่งก็จะได้พันเท่าคือพระโสดาบันถ้าทําบุญกับพระอริยขั้นที่สองคือพระสกิดาคามีา ก, ก็จะได้หมื่นเท่าถ้าทําบุญกับพระขั้นที่สามพระอริย <c oughs> ขั้นที่สาม <c oughs> คือพระอนาคามีก็จะได้แสนเท่า <c oughs> ถ้าทําบุญกับพระอรหันต์ก็จะได้ล้านเท่าถ้าทําบุญกับพระพุทธเจ้า ก็จะได้แสนล้านเท่าเพราะว่าความรู้ของแต่ละบุคคลนี้มีมากน้อยต่างกันนั่นเองความรู้ที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงขึ้นอยู่กับความรู้ทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นเพราะความรู้ทางโลกนี้จะไม่ รู้เรื่องของจิตใจของเราจะไม่รู้เรื่องของความสุขความทุกข์ของจิตใจเราจะรู้แต่เรื่องของธาตุสี่ดินน้ำล ม, มไฟคือสิ่งของต่างๆในโลกนี้เช่นรถยนต์ถนนหนทางเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากความรู้ทางโลกผลิตขึ้นมา แต่ความรู้ทางโลกนี้ไม่สามารถที่จะมาดับความรู้ทางใจได้ความทุกข์ทางใจได้เป็นความรู้แบบท่วมหัวเอาตวไม่รอดคือคนที่เรียนจบปริญญาตรีโทหรือเองก็ยังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของตนได้และดีไม่ดีอาจจะกลับสร้างความทุกข์ ให้กับมีเพิ่มมากขึ้นไปก็ได้เพราะความหลงจะมีมากขึ้นหลวงคิดว่าตนเองไมรู้มากแต่หารู้ไมมว่าความรู้ที่ตนรู้นี้ไม่สามารถมาดับความทุกข์ภายในใจได้เลยความรู้ทางโลกจึงไม่ใช่เป็นความรู้ที่ที่เป็นประโยชน์หนือยกับความรู้ทางธรรมะ <c oughs> การทำบุญจึง ถ้าทำกับคนที่มีความรู้ทางโลกจึงจะไม่ได้รับประโยชน์เท่ากับการทำบุญกับคนที่มีความรู้ทางธรรมะคนที่มีความรู้ทางธรรมะสูงสุดก็คือพุทธพระพุทธเจ้ารองลงมาก็คือพระอาหารหันต์ทั้งหลายรองลงมาก็คือพระอริยบุคคลขั้นต่างๆตามลาดับดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะได้ความรู้ที่จะ เป็นแสงสว่างนำทางให้แก่ชีวิตของเราเพื่อชีวิตของเราไม่มีความเศร้าหมองไม่มีความเศร้าโศกเสียใจไม่มีความหวาดกลัวไม่มีความว้าวุ่นลุ่นมมัวเราก็ต้องทำบุญกับพระในพระพุทธศาสนาเวลามาทำบุญแล้วก็ต้องฟังเทศน์ฟังธรรมถ้าฟังแล้วกลับบ้านอย่างนี้ก็จะได้เทียครึ่งเดียว ได้บุญที่เกิดจากการให้ซึ่งเราสามารถให้ใครก็ได้เหมือนกันให้พ่อให้แม่ก็ได้บุญได้ความสุขใจเหมือนกันบุญที่ได้ที่เกิดจากการให้นี้เป็นบุญอย่างหนึ่งแต่บุญที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมะนี้ mm. ก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งเป็นคนละส่วนกันถ้าเราทำบุญกับพระพุทธเจ้าเช่นใส่บาตร แต่เราไม่ได้อยู่ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้คุยกับพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่ได้ธรรมะคาสอนที่เป็นบุญที่มีคุณค่ากว่าบุญที่เกิดจากการใส่บาตพระพุทธเจ้าถ้าเราอยากจะได้บุญมากเราต้องฟังเทศฟังธรรมเพราะบุญที่ได้จากการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นเหมือนแบงผันส่วนบุญที่ได้จากการใส่บาตนี้ เหมือนกับเป็นแบงก0สแบง20่สมีคุณค่าราคาที่ต่างกันนี่คือสาเหตุที่ทำไมเราต้องเลือกบุคคลที่เราจะทำบุญด้วยถ้าเราต้องการบุญสองต่อแต่ถ้าเราไม่ต้องการบุญที่เกิดจากการฝังธรรมเราจะทำกับใครก็ได้ทำกับพระก็ได้ ทำกับคาลาวาสยากโยมก็ได้หรือจะทำกับเลระฉานก็ได้เช่นปล่อยนกปล่อยปลาหรือให้อาหารนกให้อาหารสุนัขอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ก็เป็นการให้เหมือนกันให้แล้วก็ได้บุญเหมือนกันคือได้ความสุขใจได้ความเมตตาได้ความการุณาได้ความไม่เห็นแก่ตัว ให้ใครได้เหมือนกันดังนั้นให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้คารวะญาติโยมให้พระสงฆ์องค์เจ้าให้แล้วถ้าเราให้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์คือไม่ต้องการผลตอบแทนเราก็จะได้ความสุขใจแต่ถ้าเราต้องการผลตอบแทนให้แล้วต้องการให้เขาทำอะไรอย่างใดให้กับเราแล้วถ้าเขาไม่ทำให้เราเราก็จะเสียใจ แทนที่จะเป็นบุญเป็นความสุขก็กลายเป็นความทุกข์ใจถ้าต้องการให้เพื่อได้บุญจริงๆต้องให้ด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์คือไม่ต้องการผลตอบแทนจากการให้เลยนี่คือเรื่องของทานคือการให้มีอยู่สองลักษณะที่เราจะได้จากการให้ทานขึ้นอยู่กับบุคคลที่เราให้ถ้าเราให้แล้วเรา ได้ฟังเทศฟังธรรมจากบุคคลที่เราให้เราก็จะได้ความรู้ตามภูมิของผู้สอนถ้าผู้สอนมีความรู้น้อยก็จะให้ให้ความรู้แก่เราได้น้อย <ắng. S 1> ถ้าผู้สอนมีความรู้มากก็จะได้ให้ความรู้แก่เรามากเช่นเปรียบเทียบคนที่จบปริญญาตรีก็จะให้ความรู้ได้เพียงในระดับปริญญาตรีคนที่จบปริญญาโท ก็จะให้ความรู้ได้ในระดับปริญญาโทคนที่จบปัญญาเอกก็จะให้ความรู้ในระดับปัญญาเอกได้แต่คนที่จบปิญญาตีนี้ไม่สามารถให้ได้คนที่จบปัญญาโทนี้ไม่สามารถให้ได้เพราะว่าไม่เรียนเรียนไม่ถึงขั้นนั้นนั่นเองฉันใดบุคคลต่างๆคือพระสงฆ์องค์เจ้าที่บวชแล้วออกปฏิบัติธรรมท่านก็ศึกษาปฏิบัติธรรมกันไป ตามกำลังความสามารถของท่านแต่ละองค์ก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปบางองค์ก็ได้เพียงเป็นพระที่มีทรงศีลคือรักษาศีลได้สะอาดไม่ละเมิดศีลแต่ยังไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้บางท่านก็บรรลุขั้นที่หนึ่งได้เป็นพระโสดาบันบางท่านก็ได้ขั้นที่สองเป็นพระสกิดาคามี บางท่านก็ได้ขั้นที่สามเป็นพระอนาคามีบางท่านก็ได้ขั้นที่สี่เป็นพระอาหารหันต์บางท่านก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเองธรรมะแต่ละขั้นที่ท่านได้นี้จะมีมากน้อยต่างกันนั่นเองถ้าเราฟังธรรมจากพระโสดาบันอย่างมากที่ผลที่เราจะได้อย่างมากก็คือเราจะได้บรรลุเพียงขั้นโสดาบันเท่านั้น เราไม่สามารถบรรลุขั้นสติดาคาลมีหรือสูงกว่าไปได้เช่นเดียวกับขั้นพระศักถ้าเรียนรู้จากพระสติดาคาลมีก็เช่นเดียวกันพระอนาคามีก็เช่นเดียวกันพระอาหารหันต์ก็เช่นเดียวกั น, ราารกกนเราจะบรรลุได้เท่าที่ท่านมีความรู้ที่จะสอนเราได้เท่านั้นเองดังนั้นจึงมีความเชื่อว่าถ้าได้ทําบุญกับพระที่มีคุณธรรมสู ง, สง จะได้บุญมากนั่นเองถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเวลาที่เราไปเติมน้ํามันตามสถานีต่างๆแต่ละสถานีก็อาจจะมีของแจกไม่เหมือนกันบางสถานีอาจจะแจกผ้าเย็นบางสถานีอาจจะแจกน้ําบางสถานีอาจจะกระจายกว้างแจกทีวีเลยก็มีเราก็ต้องมุ่งไปสถานีที่แจกของให้เรามากที่สุดเพราะน้ํามันเติมที่ไหนก็เหมือนกัน ปั๊มไหนเติมแล้วมันก็วิ่งได้เหมือนกันแต่สิ่งที่เราตาสาเหตุที่เราเลือกปั๊มก็เพราะว่าเราอยากจะได้รับของแจกเพิ่มนั่นเองฉันดัดนการทําบุญกับบุคคลต่างๆก็อย่างนั้นการทําบุญนี้ก็เป็นเหมือนการเติมน้ํามันให้แก่จิตใจเติมอาหารให้กับจิตใจบุญที่เราทํานี้จะทําให้จิตใจของเรามีความอิ่มเอิบใจมีความสุขมีความพอใจ อย่างที่ญาติโยมมาทำกันวันนี้ทำแล้วก็จะมีความอิ่มใจสุขใจพอใจแต่นอกจากมีความอิ่มใจพอใจแล้วยังได้รับของแถมไปอีกหนึ่งก็คือได้ยินได้ฟังธรรมะได้ความรู้ที่จะทำให้เราฉลาดขึ้นทำให้เราสามารถสร้างความสุขให้กับใจของเราได้เพิ่มมากขึ้นถ้าเราไม่ฟังธรรมเราจะไม่รู้ว่า นอกจากทําบุญแล้วยังมีบุญอย่างอื่นที่มีมีอ น, นิสงส์มีประโยชน์มากกว่าบุญที่เกิดจากการให้อย่างคือเช่นการรักษาศีลนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากกว่าการให้ทานหลายเท่าถ้าเป็นแบงก์ก็เป็นแบงก์ห้าสิเป็นแบงก์ลอยทานนี้ก็เป็นเหมือนแบงก์สิบแบงก์ยี่สิบแต่ถ้าเรารักษาศีลได้เราจะได้ประโยชน์มากกว่าการให้ทาน เพราะการให้ทานอย่างเดียวนี้ไม่สามารถป้องกันไม่ให้เราไปเกิดในอบายได้ไม่สามารถป้องกันไม่ให้เราไปตกนรกได้แต่ถ้าเรารักษาศีลได้ศีลนี่แหละจะป้องกันไม่ให้เราไปตกนรกให้เราไปเกิดในสุขติดดังในท้ายศีลที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นเมื่อกี้ว่าซีเลนะสุขติมยันติเนี่ยซีเลนะแปลว่าศีลเป็นปัจจัย ที่จะทำให้ไปเกิดในสุขติสุขติคือพบของไข่บ้างก็พบของเทพของพมของของมนุษย์นั่นเองแต่ถ้ารักษาศีลไม่ได้ละเมิดศีล อ, อยู่เรื่อยๆตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายในภูมิใดภูมิหนึ่งเช่นเดรชานเปรตอสุรกายและนรกนี่คือที่ไปเกิดของผู้ที่ไม่สามารถรักษาศีลห้าได้ ดังนั้นถ้าเรารักษาศีลห้าได้เราก็จะได้รางวัลคือไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเกิดเป็นเดราาัจฉานตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์กว่าเดิมดีกว่าเดิมรูปร่างหน้าตาสวยงามกว่าเดิมเพราะอา น, นิสงส์ของการรักษาศีล แต่ถ้าเราทำบุญให้ทานด้วยแล้วรักษาศีลได้ด้วยเราก็จะกลับมาร่ำรวยเพราะการให้ทานนี่แหละเป็นการสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อพบหน้าชาติหน้าที่จะตามมาต่อไปคนที่รักษาศีลแต่ไม่ทำบุญให้ทานกลับมาเป็นมนุษย์ก็จะไม่ร่ำรวยก็จะธรมธรมดาธรรมดาไม่ยากจนแต่ก็ไม่ร่ำรวยแต่ถ้าคนที่ทำบุญนี้ ทำบุญให้ทานอยู่บ่อยๆยิ่งทํามากเท่าไหร่กลับมาแล้วก็จะยิ่งมียิ่งมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติต่างๆมากมายก่ายกองเพิ่มขึ้นไปจากเดิมอีกหลายร้อยเท่าด้วยกันเช่นพระพุทธเจ้าของเราสมัยเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์คือเป็นพระเวชสันดรพระองค์ก็ทรงทาบุญให้ทานอย่างเต็มที่แล้วก็รักษาศีลไปด้วยพอตายไปก็ไปเกิดเป็นเทพ แล้วหลังจากนั้นก็กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นราชกุมารมีทรัพ์สมบัติเข้าของเต็มเป็นหมดมีปราสาทสามฤดูนี่เป็นอนิสงส์ที่เกิดจากการทำบุญให้ทานมาในอดีตชาติในสมัยที่เป็นพระเวชสันดรดังนั้นถ้าเราทำบุญก็ขอให้เราทำแบบที่ได้พูดไว้ คือทำบุญให้ทานก็ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่หวังผลตอบแทนจากใครทั้งนั้นในชาตินี้เราทำเพื่อพบต่อไปชาติต่อไปแล้วท ำ, ทำบุญถ้าเราเลือกคนเราก็เลือกคนที่มีธรรมะคนที่จะสามารถสอนธรรมะให้กับเราได้เพราะธรรมะนี่เป็นเหมือนแสงสว่างในที่มืด น, นั่นเองถ้าเราอยู่ในที่มืดไม่มีแสงสว่างเราก็จะไม่สามารถทำอะไร ได้ถูกต้องและอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของเราก็ได้ถ้าเรามีแสงสว่างเราก็จะสามารถทำอะไรต่างๆได้ด้วยความปลอดภัยดังนั้นธรรมะนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตต่อการพาชีวิตจิตใจของเราให้ไปสู่ความสุขความเจริญที่แท้จริงให้ไปสู่การสิ้นสุด ของการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นสุด ข, ของความทุกข์ทั้งหลายต้องมีธรรมะพาไปการที่เราได้มาเกิดได้มาพบกับพระพุทธศาสนาในชาตินี้จึงถือว่าเป็นวาสนาเป็นบุญอย่างยิ่งเพราะเรามีโอกาสที่จะได้รับแสงสว่างที่จะพาชีวิตของเราให้ไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายให้ไปสู่ความทุกข์ที่ สู่ความสุขที่ถาวรที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันเสือ่อมถ้าเราอยากจะได้ความสุขแบบนั้นเราก็ต้องทําบุญขั้นที่สามคือนอกจากนอกจากทําบุญให้ทางรักษาศีลแล้วเราก็ต้องปฏิบัติธรรมคือต้องนั่งสมาธิและเจริญปัญญาการนั่งสมาธิก็เพื่อทําให้ใจของเรามีพลัง มีกำลังที่จะต่อสู้กับความคิดฝ่ายต่ำเช่นความคิดไปในทางโลภโกรธหลงเรารู้ว่าความโลภไม่ดีความโกรธไม่ดีความหลงไม่ดีแต่ตอนนี้เราหยุดมันไม่ได้เวลาโลภ ก, ก็หยุดไม่ได้เวลาโกรธก็หยุดไม่ได้เพราะเราไม่มีกำลังนั่นเองเราจึงต้องมาสร้างกำลังกำลังที่จะหยุดความโลภความโกรธความหลงได้ก็คือสมาธิ สมาธิจะเกิดขึ้นมาได้ก็คือต้องมีสติสตินี้เป็นเหมือนเชือกใจของเรานี้เป็นเหมือนลิงถ้าเราต้องการให้ลิงมันนั่งนิ่งๆเฉยๆเราต้องจับมันเข้าไปไว้ในกรงถ้าเราไม่มีเชือกคล้องคอลากมันเข้าไปไว้ในกรงถ้าเราต้องวิ่งตามจับลิงนี้เราจะไม่สามารถจับลิงเข้ากรงได้เริ่มต้นเราต้องหาเชือกมาก่อนหาเชือกมาคล้องค อ, อลิง พอคล้องคอลิงได้แล้วเทนี้ก็ลากมันเข้าไปในกลงได้ใจของเราก็เป็นเหมือนลิงที่ชอบคิดอยู่เรื่อยคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาคิดแล้วก็มาสร้างความเศร้าโศกเสียใจความวิตกกังวลความฟุ้งซ่านความวุ่นวายใจแล้วก็หยุดไม่ได้เพราะเราไม่มีเชือกที่จะดึง ม, มันเข้าไปในกลงนั่นเองเราจึงต้องมาสร้างเชือกให้ได้ให้ให้มาคล้องคอใจของเรา เชือกที่จะมาคล้องคอใจก็คือสติสติก็คือการระลกรู้อยู่ในปัจจุบันให้รู้อยู่กับการกระทำของร่างกายเรียกว่าอย่าให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่ถ้ากำลังอาบน้ำก็ให้คิดอยู่กับเรื่องของการอาบน้ำถ้ากำลังรับประทานอาหารก็ให้คิดอยู่กับเรื่องของการรับประทานอาหาร ถ้ามันไม่ยอมอยู่กับการอาบน้าหรือการรับประทานอาหารก็มีอีกวิธีหนึ่งก็ต้องใช้เชือกอีกเส้นหนึ่งก็คือต้องบริกรรมพุทโธพุทโธไปท่องพุทโธพุทโธไปภายในใจไม่ว่ากําลังจะทำอะไรอยู่ก็ให้ท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วใจของเราก็จะไม่ลอยไปลอยมาไม่ไปคิดรื่องนั้นคิดอย่างนี้พอเรามีเชือกคล้องคอใจแล้ว เวลาที life, yard, life, outside, want, outside, ่เราต้องการทำใจให้สงบเป็นสมาธิก็จะน่าเราไปหามุมสงบนั่งหลับตาแล้วก็บริกรมพุทโธพุทโธไปไม่นานใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบพอสงบแล้วใจก็จะมีความสุใจจะนิ่งใจจะสบายตอนนั้นความโลภความโกรธความหลงหยุดทางานชั่วคราวนี่คือหน้าที่ของสมาธิ มีไว้เพื่อสร้างพลังให้กับใจสร้างความสุขให้กับใจแล้วก็ดับหรือหยุดความโลภความโกรธความหลงไว้ชั่วคราวแต่ไม่สามารถทำลายความโลภความโกรธความหลงได้อย่างทาวนสิ่งที่จะทำลายได้อย่างทาวอนต้องเป็นปัญญาปัญญาจะทำหน้าที่นี้หลังจากที่จิตออกมาจากสมาธิแล้วเพราะจะต้องไปทำภารกิจต่าง เวลาทำภารกิจต่างๆถ้าไม่มีปัญญาคอยเฝ้าดูเดี๋ยวความโลภความโกรธความหลงก็จะโผล่ขึ้นมาถ้ามีปัญญาก็จะตัดได้เลยเพราะปัญญาจะสอนว่าความโลภนี้ไม่ดีเป็นเหมือนห อ, อกที่ทิ่มแทงจิตใจความโกรนี้ไม่ดีเป็นเหมือนไฟเผาใจพอปัญญาบอกว่าเป็นทิ่มเป็นห อ, อกทิ่มแทงใจเป็นไฟเผาจิตใจเราก็หยุดความโลภได้ พราพเรามีสมาธิเรามีกำลังพอหยุดสมาธิได้ความร้อนใจหรือความเจ็บปวดใจก็จะหายไปนี่เป็นหน้าที่ของปัญญาที่จะต้องคอยสอนใจไม่ให้ไปโลภไปอยากได้อะไรเพราะว่ามันไม่ได้เป็นความสุขกับใจมันเป็นความทุกข์กับใจเพราะมันจะทำให้จิตใจว้าวุ่นขรุขัววุ่นวายใจนั่นเอง นี่คือปัญญาที่เราจะได้จากการศึกษาฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธศาสนาไม่มีศาสนาใดที่จะสอนวิธีดับความทุกข์ภายในใจได้นอกจากศาสนาของพระพุทธเจ้าเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นเพราะมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่รู้ถึงเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาและเป็นผู้ที่รู้วิธีที่จะดับความทุกข์ใจได้ ก็คือการเติมน้ำสามตุ่มการทําบุญสามชนิดนี้เองก็คือการทําบุญให้ทานรักษาศีลและการปฏิบัติธรรมถ้าพวกเราสามารถปฏิบัติตามได้เติมน้ำทั้งสามตุ่มนี้ให้เต็มได้ใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเหมือนกับใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย ใจจะมีแต่ความสุขมีแต่ความอิ่มเอิบไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คืองานที่พวกเรามาทํากันในวันธรรมสวรรค์ในวันพระในวันนี้ขอให้พวกเราพยายามทํากันให้มากขึ้นไปเรื่อยๆทําไปจนกว่าน้ําทั้งสามน้ําในตุ่ทั้งสามจะเต็มแล้วเราก็จะรู้เองว่างานของเรานั้นหมดแล้วไ ม, ม่ต้องไม่ต้องทํางานนี้อีกต่อไป เหมือนกับเวลาเราเติมน้ําในตุ่มถ้าน้ําในตุ่มมันเต็มแล้วเราจะเติมเข้าไปอีกได้อย่างไรเราก็ไม่เติมแล้วเราก็หยุดแล้วเราก็ใช้น้านั่นอย่างสบายไปดังนั้นขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาเติมน้ำทั้งสามตุ่มนี้คือมาทําบุญให้ทางมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมนี้ให้ท่านได้นําเอาไปพิจิพิจารณาและปฏิบัติ เพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์และความสุขที่ถาวรที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพรศีรัตนไตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเอตเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันยนะสุขภาระ โดยทั่วหน้าการเธอ